สวัสดีครับพี่น้องครับนี่คือเสียงจากขีบานนะครับในเช้าวันนี้เราอยู่ในชุดพระเยซูตอนที่444เรื่องการเปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ตอนที่ห้าเพื่นอนครับก่อนที่ผมจะเข้าไปถึงเนื้อหาในเช้าวันนี้เนื่องจากมีคําถามที่ว่าอาจารย์ทําไมการเปลี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ที่อาจารย์อ้างพระกัมภีร์โกโลอสีบทที่สาม ข้อที่สิบหกสิบเจ็ดนั้นไม่มีคำว่าการเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์เลยคุณครับผมจะขออธิบายอย่างนี้นะครับว่าถ้าเราดูในหัวข้อใหญ่ของพระธรรมโครศสีตั้งแต่บทที่สามข้อที่ห้าจนถึงบทที่สามข้อที่สุดท้ายนะครับก็คือข้อที่ยี่สิบห้าและบทที่สี่นะครับข้อที่หนึ่งถึงข้อที่ห้า เราจะพบว่าพระคัมภีร์นั้นได้จั่วหัวหัวข้อหลักก็คือชีวิตเก่าและชีวิตใหม่และในขันธ์อธิกันครับก็พูดถึงหน้าที่ทางสังคมหรือสัมพันธภาพของคนที่มีชีวิตใหม่ใหม่ในพระเยซูเพื่อนครับชีวิตเก่าและชีวิตใหม่นั้นก็เปรียบเสมือนกับชีวิตที่เดิมนั้นก่อนรับเชื่อพระเจ้าก่อนมกิดใหม่นะครับก็เป็นชีวิตเก่า หลังจากที่เรารับเชื้อพระเจ้ามันเกิดใหม่แล้วเป็นลูกของพระองค์แล้วก็ถือว่าเป็นชีวิตใหม่เพราะนชีวิตใหม่นั้นเป็นชีวิตที่ได้รับบัพติศมาในพระวิญญาณบริสุทธิ์เป็นชีวิตที่พระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นเป็นมัดจำจะติตยอยู่ในชีวิตของเราตลอดเวลาและไม่มีวันจากไปเลยในขณะเดียวกันครับชีวิตใหม่นั้นก็เป็นชีวิตที่หลังจากรับบัพติศมาด้วยพระวิญญาณบริบรบสุทธิ์แล้ว ก็จะต้องดําเนินการเปี่ยมล้นด้วยเพื่อนย้นมโดยสุดครับน้ำทัยของพระเจ้าก็คือว่าให้เปี่ยมล้นด้วยเพื่อแย้มสุดร้อยเปอร์เซนตตลอดเวลาแต่ที่ผ่านมาก็คือว่าเราไม่สามารถครับเพราะเนื่องจากว่าเรายังอยู่ในโลกนี้เรายังมีอความอ่อนแอทั้งฝ่ายเนื้อนหนังทั้งฝ่ายอารมณ์ความรู้สึกของเราเพราะฉะนั้นหลายหลายคนก็ล่วงล้านะครับผิดพลาดไป ในการที่จะทำบาปอาจจะโดยไม่ตั้งใจหรืออาจจะโดยความอ่อนแอของแต่ละคนก็ทำให้เราไม่สามารถที่จะให้พระวิญญาณบริสุทธิ์ควบคุมครอบครองชีวิตของเราทั้งร้อยเอร์เซนตและได้ตลอดเวลาเพราะฉะนั้นจึงเป็นคําสั่งว่าชีวิตใหม่นั้นจำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณสุดตลอดเวลาครับในโครเสีนั้นก็อธิบายว่า การที่เราจะมีชีวิตที่เป็นชีวิตใหม่จะเป็นอย่างไรบ้างนะครับตั้งแต่ในข้อที่ห้านั้นนะท่านอคาทูตเปาโลก็สั่งให้เราประหารโลกิยะวิสัยในตัวของเราก็จะเป็นลิสต์ของความบาปต่างๆไม่ว่าจะเป็นการล่วงประเวณีการโสโคกนะครับในข้อที่แปดได้บอกว่าบัตรนี้สารพัดสิ่งเหล่านี้ท่านจงเปลื้องทิ้งเสียนะครับเพราะว่าท่านได้ปลด วิสัยมนุษย์เก่ากับการปฏิบัติของมนุษย์นั้นเสียแล้วข้อสิบบอกว่าและได้สวมวิสัยมนุษย์ใหม่ที่กําลังทรงสร้างขึ้นใหม่ตามพระฉายของพระเจ้าผู้ทรงสร้างให้รู้จักพระเจ้าครับเนีย่ยครับตรงนี้อคาทูตเปาโลผู้เขียนพระธรรมโครดีโดยการดนใจของพู้ยานบริสุทธิ์นั้นได้บอกว่าพวกเรานั้นในฐานะที่เป็นพวกที่พระเจ้าเลือกไว้เป็นพวกที่บริสุทธิ์ เป็นพวกที่พระเจ้าทรงรักเราจะต้องสวมอุปนิสัยใหม่ครับซึ่งเป็นผลของการประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองทีนี้ผมก็หวังว่าพี่น้องคงจะเข้าใจนะครับแม้ว่าจะไม่มีคําว่าประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่ชีวิตใหม่นั้นก็หมายความถึงชีวิตที่ประกอบด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั่นเองในเช้าวันนี้นะครับเรามาถึงข้อที่สี่ครับหรือเครื่องหมายนะครับประการที่สี่ ที่สามารถที่จะโยงถึงชีวิตที่เปี่ยมล้นด้วยเพื่มเยี่ยนสุดหรือชีวิตที่ประกอบด้วยเพื่มเยี่ยมสุดหรือชีวิตที่เต็มล้นด้วยเพื่มเยี่ยนสุดหรือชีวิตที่เติมเต็มด้วยเพื่มเยี่ยนสุดนะครับมีหลายวอร์ดดิ้งนะครับแต่ก็เป็นความหมายเดียวกันในข้อที่สิบเจ็ดนะครับสิบแปดสิบเก้ายี่สิบนะครับและเมื่อท่านกระทําสิ่งใดด้วยวาจาหรือด้วยกายก็าตามจงกระทําทุกสิ่งในพระนามของพระเยซู และขอบพระคุณพระบิดาเจ้าโดยพระองค์นั้นพี่น้องครับในข้อที่สิบแปดก็พูดถึงหน้าที่ทางสังคมของชีวิตใหม่ก็คือที่สําคัญที่งเป็นประการสุดท้ายก็คือการยอมฟังกันและกันครับเราจะเห็นว่าถ้าเราทบทวนและพี่น้องจําได้พี่น้องจําได้พี่น้องจะรู้ว่าอาการหรือเครื่องหมายมีสี่ประการใช่ไหมครับในพระบรมทิตอนนี้ ประการแรกก็คือจงปราศัยกันและกันนะครับประการที่สองก็คือการยกย่องสรรเสริญพระเยสูรประการที่สามก็คือขอบพระคุณพระเจ้าสําหรับสิ่งสรารพัดได้ทุกอย่างและประการสุดท้ายนะครับก็คือการยอมฟังกันและกันผมสรุปมาเอาเฉพาะเนื้อเนื้อเลยนะครับพี่น้องครับเมื่ออาคาทูปเปาโลได้พูดถึงการยอมฟังกันและกันทําให้เรากลับไป ถึงประการแรกได้ครับก็คือมันเป็นการเชื่อมโยงนะครับประการที่หนึ่งนะครับเราเชื่อมโยงกันนะครับระหว่างเรากับเพื่อนมนุษย์ประการที่สี่ก็เชื่อมโยงกันครับเชื่อมโยงกันโดยการยอมฟังกันและกันประการแรกคือการเชิญชวนปราศัยกันเชิญชวนกันโน้มนำกันให้มาถึงการน้ำมันการพระเจ้าประการที่สี่ก็คือเป็นการยอมฟังกันโน้มนำกันนะครับ ยอมรับซึ่งกันและกันโน้มนำกันไปถึงจุดที่เรารับใช้พระเจ้าเพราะเราจะเห็นนะครับว่าความสัมพันธ์ระหว่างเราซึ่งเป็นผู้เชื่อเป็นพี่น้องเราจะต้องเริ่มต้นด้วยการนมัสการพระเจ้าแล้วไปจบลงที่การรับใช้พระเจ้าเพราะฉะการยอมฟังกันและกันนั้นเป็นหน้าที่ครับเป็นหน้าที่ในครอบครัวนั้นก็คือภรรยานะครับกับสามีบุตรกับบิดามารดาทาต นะครับกับนายของเขาข้ามผี่พูดชัดนะครับแต่ถ้าฆาตุโรคัลโลเริ่มเรื่องเริ่มเรื่อ ง, องโดยแสดงเห็นว่าการยอมฟังกันและกันนี้เป็นหน้าที่ทั่วไปของคริสเตียนทั้งปวงพี่น้องครับเรานั้นจะต้องฟังพระเจ้านะครับในขณะเดียวกันครับเราต้องยอมฟังกันและกันควรปฏิบัติต่อกันและกันทอมใจครับยอมฟังกันและกันนี่คือส่วนสําคัญหรือสิ่งสําคัญใน ลักษณะนิสัยในความประพฤติของคริสเตียนที่นั่นครับในพระคัมภีร์หมายนั้นมีคําคํำนี้ยครับปรากฏอยู่ถึงสามสิบสองครั้งด้วยกันครับเป็นเครื่องหมายเด่นชัดเลยครับของคริสเตียนที่จะต้องเตี่ยมด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นะครับคือการถ่อมตัวถ่อมใจยอมฟังกันและกันคําว่าถ่อมตัวถ่อมใจยอมฟังกันและกันนั้นมันตรงกันข้ามกับกาโอ้อวดยกตัวนะครับ มันเป็นการตรงท่าแบบคําว่าอีโก้ของฉันความคิดเห็นของฉันวิธีการของฉันอะไรก็ฉันฉันฉั น, ฉนที่น้องครับนี่ไม่ใช่การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์แต่การเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์นั้นก็คือต้องถ่อมใจยอมฟังกันและกันครับนี่คือหลักการนะครับที่เล็งให้เห็นถึงเครื่องหมายหรืออาการแสดงของคนที่เปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์ ผมอยากจะยกตัวอย่างครับก่อนที่จะจบวันนี้ก็คือว่าในประวัติศาสตร์ของคริสจักรนั้นเปาโลกับเปโต้พี่น้องคงจําได้นะครับเขาเคยมีปัญหาขัดแย้งกันเขามีปัญหาขัดแย้งกันที่คริสจักรที่เมืองอันทิโอกเรื่องราวนี้ได้บันทึกอยู่ในพระธรรมกาลาเทียบทที่สองข้อที่สิบเอดถึงสิบสี่เนื้อหาก็คือขณะที่เปาโลครับ เขายึดมั่นในหลักการและได้เห็นเปโตครับซึ่งเป็นเรียกว่าคล้ายๆกับประมุกของคริสจักรเลยก็ได้นะครับในสมัยนั้นเปาโลก็ตำหนิเปโตตรงไปตรงมาครับนะครับตอหน้าที่ประชุมเลยครับทำให้เรารู้ว่าความจริงแล้วเนี่ยความขัดแย้งเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ในหมู่คริสเตียนแต่แต่เราต้องยอมฟังกันและกันครับ เราต้องระลึกอยู่เสมอว่าว่าถ้าใครคนใดคนหนึ่งยืนการในหลักการของตนของตนเองฝ่ายเดียวนั้นแท้ที่จริงแล้วนั่นก็คือเป็นการแสดงถึงความไม่เชื่อฟังการไม่ยอมฟังกันและกันแสดงถึงความเย่อหยิ่งอย่างน่าเกลียดเป็นการฉลาดนะครับที่จะต้องไม่ยอมให้ความเย่อหยิ่งทรนงในเกียรติภูมิในประสบการณ์ของตัวเองมาจูงจมูกเรา และทําให้เราหลงไปทําให้เราไม่ยอมฟังกันและกันและท้ายที่สุดทําให้เราไม่สามารถมีชีวิตที่เปี่ยมล้นในพระวิ ญ, ญญาณบริสุทธิ์ได้พี่น้องครับสิ่งที่ช่วทดสอบก็คือคําท้าทายในประโยคในพมพีบอกว่าโดยความเคารพยำเกรงในพระคติหน้าที่ประการที่สําคัญก็คือว่าเราจะต้องอ่อนน้อมยอมฟังองค์พระเยซูคริสต์ด้วยความยำเกรงพระเจ้า ด้วยความด้วยจิตใจที่ยอมเชื่อฟังด้วยมีความพร้อมในการรับฟังเมื่อเรายอมฟังพระเยซูเราก็ควรยอมฟังซึ่งกันและกันด้วยนะครับเมื่อยอมฟังคนอื่นก็ทำให้เราได้ยอมฟังพระเยซูพี่น้องครับมันจะเป็นวงล้อนะครับหมุนเวียน เปลี่ยนไปอย่างนี้ตลอดครับล้อกันไปตลอดครับเมื่อเราเชื่อฟังพระเยซูเราก็ต้องยอมฟังคนอื่นนะครับเมื่อเรายอมฟังคนอื่นมันก็จะกลับไปหาก็คือเราต้องยิ่งยอมเชื่อฟังพระเยซูนี่คือผลของการเปลี่ยนด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สี่ประการครับขอพระเจ้าช่วยเรานะครับในการที่เราจะ ปราศัยกันและกันนำไปสู่การนมัสการพระเจ้าเชิญชวนให้คนมารู้จักพระเจ้าให้เขามานมัสการพระเจ้ายกย่องกราบไหว้พระเจ้าเราจะต้องเทิดทูนพระเยซูสรรเสริญพระเยซูคริสต์นะครับเน้นประการที่สองประการที่สามก็คือเราจะต้องขอบคุณพ่อบิดามีจิตใจมีชีวิตที่สรรเสริญขอบคุณสำนึกนับพระพรของพระองค์เสมอ ประการสุดท้ายครับเราจะต้องยอมฟังกันและกันนี่คืออาการแสดงหรือเครื่องหมายที่แสดงว่าเราเปี่ยมล้นด้วยพระวิญญาณบริสุทธิ์สรุปสั้นๆก็คือชีวิตที่เปี่ยมล้นนั้นนำเราให้มีสัมพันธภาพที่ดีทั้งต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนมนุษย์อาเมน